บัดนี้จะได้แสดงธรรมกถาสืบต่อไปจงพากันตั้งใจฟังโดยสัจจะเคารพเธอนี่เป็นทางแห่งความดีเล่มที่สามว่าด้วยชาราชาราวัคขวันนาหนึ่งเพลิงแห่งโลก พระพุทธภาษิตพระองค์สรงตรัสว่าโกนุหาโสกิมานันโทนิจจังปะชริเตสติอันธกาเรณนะโอนัตธาปฏทีปังนักเวสถาแปลว่าเมื่อโลกสันนิวาตนี้ลุกโพรงอยู่เป็นนิดด้วยไฟคือราคะเป็นต้นท่านทั้งหลายถูกห่อหุ้มด้วยความมืด คืออวิชชาแล้วทำไมจึงยังร่าเริงกันนักทำไมจึงไม่สแสวงหาประทีปคือยานเล่าขยายความโลกคือหมูสัตว์ดินรนเร่าร้อนอยู่ในกองเพลิงสองกองคือเพลิงทุกหนึ่งเพลิงกิเลสหนึ่งถูกเพลิงสองกองนี้เผาให้เร่าร้อนกระวนกระวายอยู่เป็นนิด อันหนเปรียบเหมือนลูกศรสองดอกเสียบปุถุชนอยู่คือลูกศรที่เสียบกายวงเล็บกายยิกะสันหลังและลูกศรที่เสียบใจวงเล็บเจตสิกสันหลังกล่าวคือความทุกข์กายและทุกข์ใจตามลําดับเพลิงทุกนั้นคือความแก่ความเจ็บความตายความโศกความครื่อาครวญลาพันธ์ เพราะปียวิปโยคบ้างเพราะอปียะสัมปโยคบ้างเพราะปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นตามต้องการบ้างมนุษย์และสัตว์ไหว้วนอยู่ในกองเพลิงนี้อย่างน่าสงสารแต่ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากเพลิงภายในอีกอย่างหนึ่งคือเพลิงกิเลสเช่นราคะโทสะโมหะริษยาพยาบาทเป็นต้นราคะคือความกำหนัดพอใจในอารมณ์อันน่าใคร่ เช่นรูปสวยเสียงเพราะรสอร่อยเป็นต้นการเป็นสายหนึ่งของราคะคนต้องเดือดร้อนเพราะการเพียงใดย่อมประจักษ์อยู่แล้วแก่ผู้ที่ยังละการมไม่ได้เมื่อความรู้สึกทางการลดน้อยลงความสงบสุขทางใจก็เพิ่มมากขึ้นการที่เกี่ยวกับทางเพศนั้นทำให้คนดิ้นรนเร่าร้อนเพียงใดได้กล่าวไว้ข้างต้นว่า เมื่อความรู้สึกทางกามลดน้อยลงความสงบสุขทางใจก็เพิ่มมากขึ้นอาจมีปัญหาว่าจะไหนาบางคนเมื่อความสามารถทางกามลดลงจึงมีความเดือดร้อนตอบว่าความสามารถทางกายกับความรู้สึกทางกามนั้นไม่เหมือนกันบางคนความสามารถทางกามลดน้อยลงแต่ความรู้สึกทางกามหาลดน้อยด้วยไม่ยังมีความปรารถนาอย่างรุนแรงในการบริโภคกามอยู่ แต่ไม่อาจาได้บรรลุถึงความปรารถนานั้นโดยสมบูรณ์ได้ในกรณีนี้บุคคลนั้นจึงเดือดร้อนพูดให้สั้นว่าใจยังต้องการบริโภคกามอยู่มากแต่ร่างกายไม่อำานวยให้ความต้องการนั้นบนรรลุผลส่วนบุคคลผู้เบาบางในทางนี้ย่อมมีความทุรนทุรายน้อยเช่นปุถุชนบางคนและพระสกทาคามีทั่วไปส่วนพระอนาคามีนั้น ละการมราคะได้เด็ดขาดแล้วไม่ต้องกังวลกับเรื่องอย่างนี้อีกต่อไปใจสงบสุขได้มากเพราะละสิ่งรบกวนจิตใจที่สำคัญสำคัญได้หลายอย่างมีการมราคะเป็นต้นไฟที่เกิดจากไม้ก็ดีจากดวงอาทิตย์ก็ดีพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ร้ายแรงเท่ากับไฟคือราคะเพราะไฟนี้เผากลุ่นอยู่ตลอดเวลาในความสานึก ในความรู้สึกของตนมันกลุ่นอยู่ในใจเสมอไม่เคยดับนอนหลับแล้วก็ยังฝันถึงอีกเพราะเหตุนี้มันกลุ่นอยู่เสมอนี่เองและเพราะเหตุที่มันกลุ่นอยู่เสมอนี่เองพอได้เชื้อคือเพศตรงข้ามอันเป็นที่พอใจมันก็ลุกโผล่ขึ้นทันทีเมื่อสมปรารถนาก็ทําให้บุคคลติดอยู่พอใจอยู่ในอารมณ์นั้นเหมือนหยดน้าน้อยให้ความพอใจแก่คนกระหายจัด บุคคลทั่วไปไม่ค่อยต้องการจะละมันก็เพราะมันมีความสุขเล็กๆ น, น้อยๆหยดให้อยู่เหมือนหยดน้ำกลางหนานกที่กระหายน้ำต้องบุคบั่นเข้าไปไฟนี้ไม่อยู่ในใจของคนทุกคนรวมกันเป็นจำนวนสองถึงสพันล้านคนในโลกท่านลองคิดดูถัดว่าจะเป็นไฟดวงใหญ่มะอือมาเพียงใด าฟเพศตรงกันข้ามเล่าต่างก็เป็นเชื้อให้กันแลกกันทำให้ดวงไฟเริงแรงขึ้นติดต่อกันไม่ขาดสายมีคนจำนวนไม่น้อยที่ต้องตรอมใจตายเป็นบ้าฆ่าฟันกันต้องติดคุกติดตารางเพราะไฟนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่มีไฟใดเสมอด้วยไฟคือรากะวงเว็บนัติราคะสโมอคิเผาอยู่ทุกวันชั่วอายุ และยังเป็นนิสัยสันดานตามติดไปเผาในชาติหน้าอีกโลกโพลงอยู่ด้วยไฟคือราคะนี้เป็นนิดฐ์งเล็บนิจจังประชริเตสติส่วนไฟคือโทสะนั้นมองเห็นฤทธิ์ของมันได้จากการประทุษร้ายกันในโลกของเราสังคมของเราจะมีความสุขยิ่งกว่านี้มากถ้าคนไม่ประทุษร้ายกันกำจัดไฟภายในตนคือโทสะให้น้อยลงหรือหมดไป โทสะเมื่อเกิดขึ้นในใจของคนใดมันประทุสร้ายบุคคลผู้นั้นก่อนคือให้ร้อนรุ่มภายในใจทำอะไรไม่ค่อยถูกพูดจาเสียงสัน่นหรือดังผิดปกติมือเท้าสัน่นน้ำย่อยอาหารไม่ทำงานห่วงเล็บหิวอยู่เมื่อโทสะเกิดขึ้นก็จะหายหิวทำลายความสุขในการพักผ่อนนอนหลับสติปัญญามืดมนนึกอะไรไม่ค่อยออก เหมือนดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์ที่ถูกเมฆบังใจมืดมนอนทการหน้าตาที่แจ่มใสก็บูดเบึง้งกิริยาที่น่ารักก็กลายเป็นหน้าชังหน้ารังเกียจพูดอะไรทําอะไรตามที่โทสะบัญชาการมักผิดเสมอเพราะขาดสติปัญญาอย่างตรองเรียกว่าทําด้วยอารมณ์การฆ่าฟันกันตายการเผาบ้านเผาเมืองการทุบตีกันด้วยไม้ค้อนก้อนอิฐ รวมความว่าการทำร้ายร่างกายกันตลอดถึงการทิ้งระเบิดในสงครามให้คนตายเป็นแสนเป็นล้านในคราวเดียวเหล่านี้ล้วนเป็นลิศของโทสะทั้งสิน้นโทสะนี่เองเมื่อเกิดขึ้นในจิตแล้วไม่ได้ประทุสร้ายผู้อื่นในเวลานั้นถ้าผูกใจไว้ว่าจะทำร้ายในภายหลังเมื่อมีโอกาสท่านเรียกสภาพอย่างนี้ว่าพยาบาทคือการผูกใจเจ็บต้องการให้ผู้อื่นถึงความพินาศ การผูกโกรธไว้เฉยๆโดยไม่คิดในทางทำลายท่านเรียกว่าอุปนาหะสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเพลิงเผาตัวเองบ้างเผาคนอื่นบ้างบางคราวเผาคนอื่นไม่ได้แต่มันเผาตัวบุคคลผู้มีมันนั่นเองอยู่เสมอเหมือนไฟในเตาถ้าเอาหม้อไปวางไว้มันก็ทำให้หม้อร้อนด้วยเตาร้อนด้วย แต่ถ้าไม่มีใครนำม่อไปวางไว้มันก็ทำให้เตาร้อนอยู่ตลอดเวลาอธิษยานั้นคือสภาพจิตใจที่ไม่อยากให้ใครได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งดีกว่าตนเมื่อเห็นใครดีกว่าตนก็ทนไม่ได้ให้มีอันเดือดร้อนไปต่างๆนานาแล้วก็หาเรื่องใส่เขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อได้ยินใครชมใครก็ทาเป็นเออ อ, อไปสักประเดี๋ยวหนึ่งแล้วก็นาเรื่องไม่ดี ลและมีได้มีอยู่จริงในบุคคลผู้นั้นมาพูดกลบความดีที่คนอื่นสันเสริญเสียทั้งนี้ด้วยจิตที่ทนเห็นใครได้ดีไม่ได้เห็นใครดีกว่าตนไม่ได้ท่านกล่าวว่าจะดูคนริษยาจงดูที่การหาเรื่องแม้จะไม่มีเรื่องจริงก็ปั้นเรื่องอื่นขึ้นเพื่อใส่ร้ายเขาตนจะได้เด่นทํานองเอาโคลนไปสาดบ้านคนอื่นเพื่อให้บ้านของตนมองดูสะอาด คนใดมีริษยาอยู่ในใจมากคนนั้นไม่มีความสุขเขาเกลียดความดีและคนดีไม่อนุโมทนาต่อความดีความเด่นของใครความไม่ดีอีกอย่างหนึ่งที่จะตามคนริษยาก็คือการยกตนข่มคนอื่นบางท่านติคนอื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจก็มีติเมื่อเห็นข้อบกพร่องและบุคคลผู้นั้นมีข้อบกพร่องจริง พูดไปตามความเป็นจริงไม่ได้มีใจริษยาเจตนาใส่ร้า ย, ายคำพูดอย่างนี้เป็นสุภาษิตควรฟังโดยธรรมดาคนฟังย่อมฟังออกเสมอว่าใครพูดด้วยจิตอย่างไรคือด้วยจิตริษยาหรือด้วยจิตบริสุทธิ์อย่าได้นึกดูถูกคนฟังว่าง่เงา่ารู้ไม่เท่าทันตัวความรู้สึกดูถูกคนฟังว่าโง่นั่นเองคือความโง่ของตน เพราะฉะนั้นควรมีความบริสุทธิ์ใจเสมอในการทำการพูดบุคคลอื่นได้เห็นความบริสุทธิ์ใจแล้วย่อมเคารพยำเกรงให้เกียรติกิเลสมีราคะเป็นต้นนี้ท่านเรียกว่าไฟภายในหรือไฟคือกิเลสเผาลนใจให้ร้อนเมื่อบวกกับไฟภายนอกคือเพลิงทุกข์ดังพรนานามาแล้วเข้าอีกจึงเป็นไฟใหญ่ในโลกที่ลุกโพร่อยู่เสมอ มนุษย์และสัตว์บนว่ายอยู่ในทะเลเพลิงนี้อย่างน่าสงสารใครเล่าจะาช่วยได้ผู้รู้ทั้งหลายเป็นเพียงผู้ชี้ทางให้ตนนั่นแหละต้องช่วยตนเองในการถอน ต, อ น, ตอนออกจากกองเพลิงอันหนึง่งเพราะเหตุที่สัตว์ทั้งหลายถูกห่อหุ้มไว้ด้วยอวิชชาจึงไม่อาจรู้ความจริงได้ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรจึงทาอะไรอะไรลงไปด้วยความเขา เหมือนคนเดินอยู่ในที่มืดมองไม่เห็นทางที่ควรเว้นหรือทางที่ควรเดินมองไม่เห็นความจริงแห่งสภาวธรรมอันไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตามองไม่เห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นจึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งปวงด้วยความยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดที่บุคคลเข้าไปยึดมั่นถือมั่นไว้แล้วสิ่งนั้นจะไม่ให้ทุกข์ให้โทษเป็นไม่มีเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะอวิชชา เป็นมูลกล่าวคือไม่รู้ความจริงเหมือนบุคคลฝันไปว่าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นต้นว่าเป็นกษัตริย์แล้วหลงยึดมั่นในความฝันนั้นว่าเป็นจริงเป็นจังแต่เขาตื่นขึ้นมารู้ความจริงแล้วความหลงยึดมั่นย่อมหายไปอีกประการหนึ่งบุคคลฝันว่าถูกจองจำทำโทษหรือถูกประหารมีความเสียใจโศกเศร้ารำพันแต่พอตื่นขึ้นแล้วและ รู้ว่าเป็นความฝันความรู้สึกเสียใจย่อมพลันหายไปฉันใดบุคคลที่ถูกอวิชชาครอบงําห่อหุ้มไว้ไมิให้รู้ความจริงก็เหมือนบุคคลที่หลงดีใจเสียใจในความฝันผู้ทําลายความมืดคืออวิชชาได้แล้วเหมือนผู้ตื่นแล้วหมดความสงสัยไม่หลงยึดมั่นดีใจหรือเสียใจเพราะความฝันฉันนั้นด้วยเหตุที่กล่าวมานี้พระบรมศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้า จึงตรัสเตือนหญิงสหายของนางวิสาขาว่าท่านทั้งหลายร่าเริงกันอยู่ทาไมทาไมไม่สแสวงหาดวงประทีปคือปัญญาเล่ามีเรื่องย่อดังต่อไป น, นี้เรื่องหญิงสหายของนางวิสาขากุลบุตร500คนในเมืองสาวัตถีได้มอบภรรยาของตนของตนให้เป็นบริวารของนางวิสาขา ด้วยหวังว่าเมื่ออยู่ใกล้านางวิสาขาภรยาของตนจะเป็นผู้ไม่ประมาทความจริงก็เป็นอย่างนั้นการได้อยู่ใกล้คนดีย่อมทำให้ดีขึ้นไม่มากก็น้อยแล้วแต่อุปนิสัยบา ร, รมีของคนนั้นๆคราวหนึ่งมีมหโหระทเกี่ยวกับสุรา7วันถ้าเป็นสมัยนี้อาจเรียกว่าสัปดาห์แห่งการดื่มสุราคงจะได้เพราะเมากัน7วันจริงๆ บอกว่าในอินเดียปัจจุบันการดื่มสุราต้องทําในที่มิชชั่ในพัตตาคารที่ได้รับอนุญาตให้จําหน่ายสุราได้ก็ต้องมีห้องพิเศษสําหรับดื่มสุราไม่สามารถมองเห็นได้จากถนนหรือตึกหลังอื่นรวมความว่าต้องเป็นที่มิชชิดมีวันหยุดจําหน่ายสุราสัปดาละหนึ่งวันคือวันอังคารบางแห่งแถมวันศุกร์เข้าวันหนึ่งด้วยวสิน หญิง500อคนบริวารของนางวิสาขาเตรียมโซราเพื่อสามีของตนตลอด7วันสามีเหล่านั้นเล่นมหรสพและดื่มสุราคือสนุกด้วยการดื่มสุราครบ7วันพอวันที่8ก็หยุดดื่มออกไปทํางานหญิงเหล่านั้นไม่มีโอกาสดื่มสุราต่อหน้าสามีเพราะสามีไม่ยอมอนุญาตแต่สุรายังเหลืออยู่เธอจึงออกุบายให้วิสาขานําไปเที่ยวชมสวน สอนสุราไปด้วยและดื่มสุราในสวนด้วยอาการอันมิชิตมีให้วิสาขารู้ได้แต่ดื่มมากเกินไปจนเมาจึงมีอาการแห่งผู้เมาวิสาขาจึงรู้ตำหนิหญิงพวกนั้นมากว่าทำสิ่งที่ไม่ควรทำน่ารังเกียจและว่าหากกลับไปบ้านสามีรู้จะทำอย่างไรหญิงเหล่านั้นบอกว่าจะลวงสามีว่าเป็นไข้ วิสาขากล่าวว่าถ้าอย่างนั้นจะปรากฏด้วยกรรมของตนเองคือจะได้เห็นเองว่าเป็นอย่างไรเมื่อกลับมาถึงบ้านแป้งทําเป็นนอนไข้แต่สามีไม่เชื่อเพราะกลิ่นสุรามันฟ้องจึงถูกตีคนละหลายทีแต่ไม่เข็ดพอมีงานมหาหรสพดื่มสุราวันอื่นอีกก็อยากดื่มอีกจึงขอร้องวิสาขาให้พาไปชมสวนอย่างเคยแต่วิสาขาไม่ยอมนําไปบอกว่า คราวก่อนทำอัปยศครั้งหนึ่งแล้วอยากไปก็ไปกันเองเถิดยิงเหล่านั้นเปลี่ยนนโยบายใหม่ร้องขอให้นำไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าที่เชตวนารามวิสาขาเห็นว่ากิจนั้นเป็นกุศลจึงยอมพาไปยิงเหล่านั้นจัดแจงปลอกสุราลงในขวดที่มีลักษณะสันฐานคล้ายฝ่ามือคงจะคล้ายขวดน้ำหอมบางชนิดในสมัยปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความมิจฉิตเอาสารีคลุมตัวแล้วไปยังวิหารเฉตวันพร้อมกับวิสาขาวิสาขามิได้สังเกตเมื่อไปเฝ้าพระาศาสดานั้นนางได้ขอร้องให้พระาศาสดาทรงแสดงธรรมแก่หญิงบริวารหญิงบริวารของเธอแอบดื่มสุราต่อเบื้องพระพักแห่งพระาศาสดาจนรู้สึกเมามีอาการสั่นเทมิมวิงเวียนครองสติไม่ได้ บางคนทำท่าจะฟ้อนรําบางคนจะขับร้องพระศาสดาทรงกาหนดอาการนั้นทรงทราบโดยตลอดแล้วทรงแสดงฤทธิ์ให้บริเวณนั้นมืดมัวมองไม่เห็นกันหญิงเหล่านั้นมีอาการตกใจกลัวความเมาจึงสางพระศาสดาทรงทราบว่าความเมาของหญิงเหล่านั้นสางแล้วจึงเปล่งพระสศมีสว่างขึ้นเหมือนแสงแห่งจันในวันเพ็ง พระทศพลเจ้าตรัสกับหญิงเหล่านั้นว่าพวกเธอมาสู่สำนักของเราแล้วประมาทอย่างนี้หาควรไม่การทําความอุตสาหะให้ไฟคือราคะเป็นต้นดับไปจึงจะควรดังนี้แล้วทรงแสดงธรรมว่าเมื่อโลกสันนิวาตนี้ลุกโพร่อยู่เป็นนิดด้วยไฟคือราคะเป็นต้นเป็นอาธิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบ พระธรรมเทศนาหญิงเหล่านั้นดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลแล้วอันนี้ก็เป็นพุทธภาษิตบทหนึ่งนะที่เป็นข้อเตือนใจที่พระองค์ตรัสว่าเมื่อลกสันนิวาตนี้ลุกโพรงอยู่เป็นนิดด้วยไฟคือราคะเป็นต้นท่านทั้งหลายถูกหัวมุมอยู่ด้วยความมืดคืออวิชชาแล้วทำไมจึงยังร่าเริงกันนัก ทำไมจึงไม่สแสวงหาแสงสว่างคือปฏิปเล่าแต่มีกี่คนที่จะมีความรู้สึกอย่างนี้ต่างๆที่ไฟนั่นมันลุกโผลงร้อนอยู่ตลอดเวลาไฟคือราคาโทสะโมหะราคาคิโตสะคิโมหคิเนี่ยภาษาพุทธาจาตท่านตัดอย่างนั้น ซึ่งอันนี้ก็ไปแสดงแก่พวกสันสามพี่น้องที่บูชาไฟก็ได้ผลนสองกายนี้พระพุทธภาสิทธ์พระองค์ทรงตัดว่าปัสสะจิตตกังพิมพังอรุกายังสมุตศิตังอาตุรังพระหุสังกับปังยัตสะนติทุวันทิติ แปลว่าความตั้งอยู่ยั่งยืนของร่างกายใดไม่มีขอท่านจงดูกายนั้นซึ่งกรรมทำให้วิจิตแล้วมีแผลอยู่เป็นประจำมีกระดูกเป็นโครงหน้าเบื่อหน่ายแต่เป็นที่รำพึงถึงของคนมากอธิบายกายเป็นโลกิยธรรมอย่างหนึ่งตกอยู่ในลักษณะ สามัญแห่งสิ่งทั้งปวงคือไม่ยั่งยืนเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วคราวแล้วแตกสลายไปร่างกายประกอบด้วยธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟส่วนที่แค้นแข็งจัดเป็นธาตุดินเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นส่วนที่เหลวจัดเป็นธาตุน้ำเช่นน้ำดีน้ำหนองน้ำเหลืองน้ำเลือดเหงื่อเป็นต้นส่วนที่พัดไปมาและทำให้อวัยวะต่างๆเคลื่อนไหวได้ คูเข้าเย็ยดออกได้จัดเป็นธาตุลมเช่นลมที่พัดทั่วไปในกายลมในกระเพาะอาหารลมในลำไส้ลมหายใจเป็นต้นส่วนที่ทำความร้อนจัดเป็นธาตุไฟเช่นไฟที่เผาอาหารให้ย่อยไฟที่ทำความอบอุ่นในร่างกายเป็นต้นธาตุทั้งสีดังกล่าวมาต้องเป็นไปสม่าเสมอร่างกายจึงจะผาสุกหรือ พร่องไปอย่างใดอย่างหนึ่งร่างกายก็ไม่ผาสุบเป็นเหตุให้ป่วยไข้ไม่สบายไปต่างๆนานาตัวอย่างเช่นความอบอุ่นในร่างกายต้องมีอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ในประเทศร้อนหรือประเทศหนาวอุณหภูมิภายนอกจะแตกต่างกันเพียงไรก็ตามแต่ความอบอุ่นหรือไออุ่นในร่างกายจะต้องรักษาให้อยู่ในระดับเดิมของมันถ้าความร้อนในร่างกายมีมากเกินไปเราก็จะเป็นไข้ ยิ่งร้อนมากไข่ก็สูงมากถ้าความเย็นในกายมีมากเกินไปเลือดก็จะแข็งไม่ไหลเวียนตายได้เหมือนกันความอบอุ่นในร่างกายนี้ได้อาหารเป็นเชื้อเพลิงเมื่อขาดอาหารไฟในกายก็ดับตายเหมือนกันสังเกตได้ว่าเมื่อกินอาหารมากความร้อนในกายจะสูงขึ้นน่าจะเป็นเพราะไฟในกายได้โหมแรงขึ้น เพื่อเผาเชื้ออาหารให้ย่อยทางนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของอาหารด้วยเหมือนกันอาหารบางอย่างให้ความร้อนมากเช่นอาหารประเภทแป้งน้ำตาลน้ำมันบางอย่างให้ความร้อนน้อยเช่นผักสดผลไม้สดเป็นอาทิจะพรนานาเรื่องร่างกายกับอาหารก็ไม่สิ้นสุดลงโดยง่ายเพราะมีเรื่องจะกล่าวมากจึงขอข้ามไป นอกจากอาหารคือข้าวน้ำเป็นต้นแล้วร่างกายนี้ยังต้องการอากาศที่ดีแสงสว่างเครื่องนุ่งห่มเพื่อกําจัดความหนาวร้อนเป็นอาทิและยังต้องออกกําลังกายพอประมาณจึงจะเป็นไปได้ด้วยดีกายนี้เป็นของที่ต้องบูรณะซ่อมแซมอยู่เสมอเพราะมันสุดโสมสึกหรอไปทุกวันทุกวันแต่ไม่โทมให้เห็นทันทีค่อยเป็นค่อยไปกว่าจะถึงสรา อาหารและการพักผ่อนเป็นสิ่งที่ช่วยบุรณะส่วนที่สึกหรอไปให้คงเดิมแต่ก็เป็นไปได้ชั่วคราวนานเข้าก็โซมจนซ่อมไม่ไหวเรียกว่าชาราในที่สุดสุดท้ายก็แตกดับคือตายจะพนานาแต่ละข้อไปโดยลำดับโดยสังเขปข้อว่ากายนี้อันกรรมทำให้วิจิตแล้วนั้นมีอธิบายว่า ตามหลักพระพุทธศาสนาถือว่ากรรมเป็นผู้ตกแต่งสัตว์ทั้งหลายให้หยาบหรือประณีดดังพระพุทธภาษิตว่ากรรมมังสเตวิภชติยะทิหังอินัปณีตตายะกรรมย่อมจําแนกสัตว์ให้หยาบหรือประณีดความหยาบความประณีดนั้นรวมเอารูปร่างลักษณะอวัยวะทุกส่วนอัตยาสายใจขอทั้งสิ้น เราจะเห็นว่าอวัยวะร่างกายของแต่ละคนมีความหยาบความประนีตไม่เหมือนกันความอ่อนแอแข็งแรงก็ไม่เหมือนกันผิวพรรณไม่เหมือนกันบางคนเกลี่ยงเกลาบางคนหยาบกระด้างรูปร่างหน้าตาก็ผิดแผกกันไปคนในโลกตั้งสองสามพันล้านคนไม่เหมือนกันเลยสักคนเดียวที่กล่าวนี้ในส่วนหยาบที่มองเห็นได้ด้วยตาธรรมดา อวัยวะที่ละเอียดในร่างกายก็แตกต่างกันไปมากกว่าอวัยวะส่วนหยาบเสีอีกการทำงานของร่างกายคือสรีระยนต์นี้ยิ่งวิจิตพิสดารยิ่งนักท่านว่าวิจิตยิ่งกว่าเครื่องจักรใดๆทำไปตั้ง 80-90 ถึงปีไม่ได้หยุดเลยเป็นอัตโนมัติผู้เรียนแพทย์ทางกายวิภาคศาสตร์ ย่อมเห็นแจ้งได้ดีในความอัศจรรย์แห่งการทางานของร่างกายเป็นต้นว่าเลือดและปอดไตและตับตลอดถึงเส้นเอ็นต่างๆสรีระยนต์คือกายนี้ท่านว่าสำเร็จมาแต่กรรมคือคนยังมีกรรมอยู่ก็ยังมีเกิดเมื่อจะเกิดกรรมย่อมแต่งทั้งรูปและนามตามนยะปฏิจสมบบาทว่าสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูป จงดูกายนี้อันกรรมทําให้วิจิตแล้วข้อว่ามีแผลอยู่ประจำหลวงเล็บอรุกายอย่างนั้นมีอธิบายว่าแผลประจําของกายนี้อย่างน้อยก็มี9แผลอันท่านเรียกว่าทวารทั้ง9คือตาสองหู2องจมูกสองปากหนึ่งทวารหนักหนึ่งทวารเบา1รวมเป็น9 ทวารทั้ง9้านี้เป็นที่ไหลออกแห่งสิ่งโสโครกต่างๆในกายหรือจากกายเป็นต้นว่าขี้ตาไหลออกจากตาทุกเชา้าอุจจาระออกจากทางทวารหนักปัสสาวะออกทางทวารเบาเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ที่ไหลออกจากกายไม่มีกลิ่นหอมเลยนอกจากแผลประจำทั้ง9้าแผลนี้แล้วยังมีบาดแผลในที่อื่นๆเป็นครั้งคราวเช่นแผลที่บาดให้เลือดออก กลินเลือดนั้นก็ขาวหน้าใสอิดเอียนข้อว่ามีกระดูกเป็นโครงนั้นมีอธิบายว่าร่างกายนี้มีเลือดเนื้อหนังเอ็นเป็นต้นเกาะติดอยู่ไม่กระจัดกระจายก็เพราะมีกระดูกเป็นโครงร่างให้ยึดเกาะปราศจากกระดูกเสียแล้วหนังเอ็นและเนื้อไม่มีที่อาศัยไม่สามารถทรงตัวเป็นรูปร่างได้ย่อมกองรวมกันอยู่เหมือนเสื้อหรือกางเกงที่ไม่มีคนสวมวางกองอยู่ฉะนั้น บางแห่งท่านจึงเรียกว่านครกระดูกซึ่งมีเนื้อและเลือดเป็นเครื่องฉาบทากายนี้เปรียบเหมือนเมืองกระดูกมีเลือดและเนื้อเป็นเครื่องฉาบทาข้อว่าอาดูนหน้าเบือ่อนายนั้นอธิบายว่ากายนี้นอกจากมีปากแผลใหญ่ทั้ง9้าอันเป็นที่ไหลออกแห่งสิ่งโสโครกแล้วยังเป็นที่มาที่ตั้งอาศัยอยู่แห่งโรคนานาประการ โรคตาเกิดที่ตาโรคหูเกิดที่หูโรคจมูกเกิดที่จมูกโรคฟันเกิดที่ฟันโรคท้องเกิดที่ท้องเป็นต้นโรคตับโรคปอดก็เหมือนกันโรคบางอย่างให้ความเจ็บปวดมากมายโรคบางอย่างให้ความรําคาญเช่นโรคคันและโรคนอนไม่หลับเป็นต้นโรคบางอย่างเป็นที่รังเกียจของสังคมเป็นแล้วไม่มีใครอยากสนทนาปราศัยด้วยไม่มีใครอยากสนิทด้วย กายนี้เป็นรังของโรคนานาประการสุดจ้าพนานาให้หมดไปจึงน่าเบื่อหน่ายอีกประการหนึ่งภาระเกี่ยวกับการเลี้ยงร่างกายถนอมร่างกายให้ดำรงอยู่ต่อไปได้นั้นเป็นภาระอันหนักของคนทุกคนเพียงแต่การหาข้าวหาน้ำให้ร่างกายอย่างเดียวเท่านั้นก็ก่อให้เกิดความยุ่งยากต่างๆนานาตามมามากมาย การประกอบอาชีพต่างๆของมนุษย์ต้องเนหน็ดเหนื่อยหนักหน่วงอยู่นั้นก็เพื่อกินเพื่ออยู่ตนเองคนเดียวก็ไม่สู้อะไรนักอย่างต้องเลี้ยงลูกอีกหลายคนล้วนเป็นกายที่ต้องกินต้องอยู่เป็นภาระหนักเพิ่มเข้ามาอีกพระพุทธเจ้าตรัสว่าความทุกข์เสมอด้วยการบริหารขันห้านั้นไม่มีนัตถิขันทสมาทุก ข, ขาขันห้าเป็นภาระหนักภาราฮเวปัญจขั้นธา ถึงข น, นั้นคนก็ยังยึดถือภาระนไวายภาระหาโรจะปุขโรลองใช้ปัญญาตรองดูดีๆเถิ ด, ดจะมองเห็นอย่างชัดเจนว่ากายของเรานี้เป็นภาระให้เราเพียงใดดูเหมือนว่าชีวิตทั้งชีวิตต้องยุ่งอยู่กับภาระอันนี้สมมุติว่าเราทุกคนไม่มีกายมีแต่จิตภาระคงจะลดลงไปไม่น้อยการกินไม่มีที่อยู่ไม่จาเป็น การเดินทางก็ไม่ต้องอาศัยพาหนะใดๆพอคิดก็ไปถึงที่หมายได้ทันทีความเจ็บป่วยทางกายไม่มีเพราะไม่มีกายความกำหนัดไม่มีเพราะความกำหนัดทางกามอาศัยกายนี้เกิดขึ้นกายนี้อาดู น, น่าเบื่อหน่ายอย่างนี้ข้อว่าเป็นที่รำพึงของคนมากพระหุสังกับปังนั้นอธิบายว่ามนุษย์และสัตว์โลกทั่วไป เกิดมาจากกามมีกามเป็นแดนเกิดพอรู้ความจิตจึงแล่นไปในแหล่งอันเป็นแดนเกิดของตนทางนี้เพราะจิตได้คุกคีกับกามมาหลายร้อยชาติจึงดิ้นรนลงไปเหมือนปลาเกิดในานา้ำคุ้นอยู่กับน้ำเมื่อยกขึ้นจากน้าย่อมพยายามดิ้นรนลงไปในานา้าวัตถุคือที่ตั้งแห่งกามก็คือกายนี้รูปนี้เสียงนี้กลิ่นนี้และรสนี้กายนี้จึงเป็นที่ราพึงถึง ของคนมากคือกายของชายเป็นที่ลํำพึงถึงของหญิงกายของหญิงเป็นที่ลำพึงถึงของชายข้อนี้เป็นธรรมดาสากลแก่สัตว์โลกประเภทอื่นด้วยตัวผู้กับตัวเมียย่อมดึงดูดกันกายยิ่งประนีตสวยงามมากเท่าใดก็ยิ่งเป็นที่ลํำพึงถึงของคนมากเท่านั้นก่อให้เกิดกิเลสคือการมราคะแก่ผู้ได้ดูได้เห็นไม่รู้จักจบสิน้นคนเกิดมาสวยจะว่ามีบุญก็มี จะว่ามีกรรมก็ได้คนที่เกิดมาสบายก็คือคนที่ไม่สวยมากนักไม่ขี้เละเกินไปคือคนกลางๆงเพิ่มความน่ารักเอาที่ความดีเพิ่มความน่าเกลียดเอาที่ความชั่วคนเกิดมามีการมราคะติดมาด้วยทุกคนไม่ต้องฝึกต้องสอนก็รู้ได้รู้กําหนัดในเพศตรงกันข้ามนี่แสดงว่าได้เคยคุกคีกับกรรมมาในชาติก่อ น, อนแล้วด้วยยังมีอะไรในกาม จึงมาเกิดในกรรมภพนี้อีกอาการที่ใจยังมีอะไรในกรรมนั้นเรียกว่ากรรมมภพการที่ไปเกิดในกรรมมาภพตามความอะไรนั้นเรียกว่าอุปปัตติภพกรรมมาภพและอุปปัตติภพจึงสืบเนื่องกันไม่ขาดจากกันได้มีกรรมมาภพอยู่ตราบใดอุปปัตติภพก็มีอยู่ตราบนั้นเหมือนไฟกับความร้อน ด้วยเหตุที่บุคคลปรารถนากรรมกามต้องกาอาศัยกายเป็นที่ระบายเป็นที่ก่อให้เกิดความพอใจในกรรมนั้นกายจึงเป็นที่รำพึงถึงของคนมากเปรียบเหมือนคนกระหายน้ำน้ำนั้นบรรจุอยู่ในถังสายตาของผู้กระหายจึงสายหาถังน้ำอยู่เนืองๆยิ่งกระหายมากก็ยิ่งซัดสายหามากขึ้นบุคคลผู้ไม่ปรารถนากรรมย่อมไม่รำพึงถึงกายใดกายหนึ่ง ไม่ปรารถนาสัมผัสกายไม่มองดูกายด้วยความกำหนัดแต่จะมองดูกายในฐานะเป็นประมวลแห่งกองกระดูกกองเลือดและเนื้อเท่านั้นจงดูกายนี้อันกรรมทำให้วิจิตแล้วมีแผลอยู่เสมอมีกระดูกเป็นโครงอาดูหน้าเบื่อหน่ายเป็นที่รำพึงถึงของคนมากพระศาสดาทรงปรารภนางสิริมาตรัสพระคาถานี้มีเรื่องย่อดังนี้ เรื่องนางสิริมานางสิริมาเป็นหญิงนครโสเพณีในเมืองราชสักขมีรูปงามมากต่อมาได้บรรลุโสดาปติผลเป็นอริยะสาวิกาโสดาบันเพราะฟังพระพุทธภาสิตพึงชนะคนโกรธ ด, ด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตรณีด้วยการให้และพึงชนะคนพูดหลอกและด้วยคําจริงซึ่งพระาศาสดาทรงแสดงที่บ้านของนางอุตรา วงเล็บเรื่องนี้มีพิสดารในโกทวักเรื่องการชนะความโกรธเมื่อนางสิริมาได้บรรลุโสดาปติผลมีความเรื่มใสในพระรัตนตรัยอย่างไม่คลอนแคลนแล้วได้นิมนต์ภิกษุสาวกของพระพุทธเจ้าไปรับอาหารที่บ้านของตนวันละแปดรูปทุกวันอาหารในเรือนของนางที่ถวายแก่ภิกษุรูปหนึ่งหนึ่งย่อมเพียงพอแก่ภิกษุ3ถึงรูป อาหารนั้นประนีตมากจนเป็นที่เล่าลือวันหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งฉันอาหารในเรือนของนางแล้วไปสู่วิหารแห่งหนึ่งอันห่างออกไปประมาณสามโยน์เมื่อเพื่อนสาธมิตรคือผู้ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกันถามถึงอาหารก็พรรณนาคุณแห่งอาหารที่เรือนของนางสิริมาให้ฟังว่าประนีตและอร่อยเลือกเกินยิ่งกว่า น, นั้นการได้เห็นนางสิริมาเป็นลาบอันประเสริฐ การได้เห็นนางดีกว่าได้รับพยธรรมของนางเสียอีกเพราะนางสวยละเกินหาคนเสมอเหมือนได้ยากเพียงเท่านี้ความเสน่หาได้เกิดขึ้นแก่ภิกษุรับฟังผู้รับฟังนั้นท่านได้บอกอายุพรรษาของตนแก่ภิกษุผู้เล่าเมื่อทราบว่าวันพรุ่งนี้หากตนไปยังวิหารชื่อโน้นก็จะเป็นพระสังฆเถระวงเล็บหัวหน้าไปรับอาหารที่บ้านของนางสริมา พระรูปนั้นถือบาทและจีวรรีบไปยังวิหารนั้นพอรุ่งอรุณก็รีบไปยืนอยู่ในโรงพัดรอภิกษุอื่นอีกเจ็ดรูปบังเอิญในวันวานเมื่อภิกษุผู้นำข่าวไปเล่าสันเสร็จแล้วหลีกไปนั่นเองนางศรีมาล้มป่วยลงเป็นไข้ปวดศีรษะมากนางจึงเปลืองอาภรณ์เข้านอนในห้องแม้วันรุ่งขึ้นเมื่อภิกษุมารับอาหาร ตอนเช้านางก็ยังไม่ได้สั่งไข่เมื่อหญิงคนใช้บอกว่ามีพระมารับอาหารนางจึงสั่งให้หญิงคนใช้ช่วยจัดแทนเมื่อหญิงคนใช้ถวายยาครูและของควรเคี้ยวอื่นๆแก่ภิกษุจนอิ่มแล้วและถวายอาหารใส่บาตรไปจนพอแก่ความต้องการแล้วได้บอกให้นางศิริมาทราบนางศิริมาขอร้องให้ช่วยพยุงนางไปไหว้ภิกษุสงฆ์นางไหว้ภิกษุเหล่านั้นทั้งทั้งที่ศีรษะ ยังสันเทิมอยู่ด้วยพิษไข้ภิกษุนั้นได้เห็นนางแล้วคิดว่าเธอป่วยหนักปราชจากการตกแต่งประดับประดายังงามถึงป่านนี้หากไม่ป่วยตกแต่งประดับประดาด้วยอาภรอันมีค่าจากสวยงามป่านใดขณะนั้นกิเลสคือการมราคะอันท่านสั่งสมมาหลายแสนปีได้ฟูขึ้นแล้วมีใจจดจ่อแต่นางสิริมาเท่านั้นกลับถึงวิหารแล้วก็ไม่เป็นอันฉัน ปิดบาดนอนรลลึกถึงแต่สริมาเพื่อนสาธรรมมิกจะอ้อนวอนสักเท่าไหร่ก็ไม่ยอมฉันท่านยอมอดอาหารเย็นวันนั้นเองนางสิริมาก็ถึงแก่ความตายเนื่องจากเธอดำรงตำแหน่งนครโซเพนีขยายความนครโซเพนีในสมัยนั้นมีเกียรติเป็นหญิงประดับนครให้งามราคาแพงมากเข้าถึงได้เฉพาะท่านผู้มีเกียรติและมีเงินมากเท่านั้น และเป็นน้องสาวหมอชีวกแพทย์หลวงพระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งมคตฎรัชจึงทรงส่งข่าวไปกราบทูลพระศาสดาว่าพระเจ้าข่านางสิริมาน้องสาวหมอชีวกได้ทำการกิิยาเสียแล้วพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นธรรมเทศนาโกศลวงเล็บคือฉลาดในการแสดงธรรม มีพระพุทธประสงค์จะอาศัยความตายของนางสิริมาเป็นหัวข้อแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายจึงให้ทูนพระราชาว่าขอให้เก็บศพของนางสิริมาไว้ก่อนอตามปกติในอินเดียแม้ปัจจุบันนี้ไม่นิยมเก็บศพไว้ที่บ้านหรือที่ใดๆเมื่อตายก็นำไปเผาทันทีในวันนั้นดูมันจะเป็นกฎของเทศบาลห้ามเก็บศพไว้เกิน24ชั่วโมง ดูสภาพบ้านเมืองแล้วก็เห็นใจในการที่ต้องเผาทันทีเก็บไว้ในป่าช้าก็ได้ให้มีคนเฝ้าอย่าให้สุนัขหรือกาทำอันตรายแก่ศพได้พระราชาทรงให้กระทาดังนั้นในวันที่สสรีระของนางสิริมาขึ้นพองหมู่นอนคลานยัวเยะออกจากปากแผลทั้ง9้าหรือตะวันทั้ง9้าศพเน่าเฟะหน้าสะอิดสะเอียน พระราชาให้ราชบุรุษตีกลองร้องเปล่าว่าเบ้นเด็กเฝ้าเรือนและคนชราแล้วให้ทุกคนไปดูนางสิริมาใครไม่ไปจะถูกปรับแปดกหาปณ ะ, ะแลแล้วได้ส่งพระราชสารไปทูลพระาศาสดาว่าขออาราธนาภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขจงไปดูนางสิริมานี้ต้องเป็นข้อตกลงระหว่างพระุทธเจ้ากับพระเจ้าพิมพิสารแล้ว หากพระพุทธเจ้าพาภิกษุสงฆ์ไปดูเองอาจมีเสียงตำหนิจากมหาชนได้ว่าเป็นพระไม่อยู่อย่างพระเที่ยวดูนั่นดูนี่แต่เมื่อพระเจ้าเป็นผีสารมีสารอาราธนาไปข้อกระหานั้นก็ย่อมไม่มีพระาศาสดารับสั่งให้ปะเดียงสงคำว่าประเดียงสงคือการประกาศให้สงราบทั่วกันว่า เราและภิกษุทั้งหลายจะไปดูนางสิริมาตามคำเชิญของพระราชาภิกษุหนุ่มผู้ลหลงไหลในรูปของนางสิริมานอนเศล้อยู่สี่วันไม่ยอมฉันอาหารข้าวในบาดก็บูดวันนั้นพอมีเพื่อนมาบอกว่าพระศ า, าสดาจะส่งนำภิกษุสงไปดูนางสิริมาเพียงเท่านั้นเธอได้พรวดลุกขึ้นจัดแจงล้างบาดห่มจีวรรีบไปกับภิกษุทั้งหลายณนะป่าชา พระศาสดามีหมู่ภิกษุแวดล้อมเป็นพุทธบริวารประทับยืนอยู่ด้านหนึ่งภิกษุณีสงฆ์อีกด้านหนึ่งราชบริษัทและมหาชนทั่วไปอีกด้านหนึ่งนี่ใครมหาบอพิษพระศาสดาตรัสถามพอให้ทุกคนณที่นั้นได้ยินนางสิริมาพระเจ้าข่าพระราชาทูลตอบนางสิริมาหรือนี่ ใช่แน่นอนพระเจ้าข้าถ้ากระนั้นขอให้พระองค์ให้ราชบุรุษตีกรองร้องเปล่าว่วาใครให้ซับพันกะหาพณะนะจงเอาศพนางสิริมาไปเถิดพระราชาให้ตีกรองร้องเปล่าให้ทั่วนครไม่มีใครต้องการเลยพระราชาทูลให้พระศาสดาทรงทราบ พ, พระพุทธองค์รับสั่งให้ลดราคาลงตามลำดับคือห0 0 2้0 150 25 10 1ครึ่งกระหาปณะหนะึ่งบาทหนึ่งมาศกหนึ่งกากนิกแต่ไม่มีใครรับซื้อศพของนางเลยในที่สุดพระราชาประกาศยกให้เปล่าก็ไม่มีใครเอาเมื่อพระราชาทูลเรื่องราวโดยตลอดแล้วพระาศาสดาจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจงดูมาตุคาม อันเป็นที่พึงใจของมหาชนเมื่อก่อนนี้คนทั้งหลายยอมเสียทรัพย์1000พันกหาปณะเพื่ออภิรมกับนางสิริมาเพียงคืนเดียวมาบัดนี้แม้จะรับเอาเปล่าๆก็ไม่มีใครต้องการดูเถิดภิกษุทั้งหลายกายนี้มีความสิน้นและความเสื่อมเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงดูเสียดูอัตภาพอันน่าอาดูนี้ดังนี้แล้ว ตรัสพระคาถาว่าความตั้งอยู่ยั่งยืนของกายใดไม่มีจงดูกายนั้นอันกรรมทำให้วิจิตแล้วเป็นอาทิดังมีในยะดังพรรณนามาแล้วนั่นแหละในการจบพระธรรมเทศนามหาชนได้บรรลุอริยผลมีโสดาปฏิผลเป็นต้นแม้ภิกษุรูปนั้นผู้พอใจอย่างยิ่งในรูปของนางสิริมาก็ได้บรรลุโสดาปฏิผล สรูปนี้พระพุทธภาสิตริชินะมิธิรูปังโรคะนิทังปะพังคุณังพิชติตปูติสันเทโหมรนันตังหิชีวิตังแปลว่ารูปนี้คลําคร่าเพราะชราเป็นรังของโรคต้องเปื่อยพังกายนี้เป็นของเน่าเปื่อยย่อมแตกดับเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุด อธิบายสิ่งแน่นอนอย่างหนึ่งในชีวิตคนคือเมื่อเกิดมาแล้วต้องแก่และต้องตายสังขารต้องสุดโทมคล่ำคร่าไปทุกวันทุกวันแต่ยังไม่ปรากฏชัดท่านเรียกความค้่ำคร่าชนิดนี้ว่าปฏิชันนชราคือความแก่ที่ยังปกปิดอยู่เมื่อใดฟันหัก ผมหอกหนังหดเหี่ยวหลังโกงเป็นต้นเมื่อ น, นั้นเป็นความชราที่เปิดเผยท่านเรียกว่าอติชันะชราความแก่ที่เปิดเผยแล้วปรากฏแก่สายตาของคนทั่วไปรูปนี้ต้องคร่ำคราเพราะชราเหมือนเกวียนเก่าเอาไม้ไผ่มากราบคาบคำไว้ไม่นานก็ต้องสลายลงไม่มีใครร่วงพ้นไปได้พระาศาสดาจึงทรงเตือนให้ระลึกอยู่เสมอ พิจารณาอยู่เนืองนิดในอภินหาปัจเวกว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความแก่ไปได้อันหนึ่งชีวิตของมนุษย์นี้น้อยนักไม่ถึงร้อยปีก็จะตายแม้เลยร้อยปีไปบ้างก็ต้องตายเพราะชาราเป็นแน่แท้ชาราลักษณะนั้นพึงเห็นได้จากอาการดังนี้คืออวัยวะหย่อนยานวิการแห่งอินทรีย์ความจำเลเลือนไป คำว่าวิการแห่งอินทรีย์นั้นคือตาหูจมูกลิ้นกายเสื่อมถอยความสามารถในการรับรู้กล่าวคือตามองไม่ค่อยเห็นหูฟังไม่ค่อยได้ยินจมูกดมกลิ่นไม่ค่อยรู้กลิ่นลิ้นไม่ค่อยรู้รสประสาททางกายก็เฉื่อยชาไม่ว่องไวเหมือนสมัยหนุ่มสาวความสามารถทางความทรงจำก็ถดถอยแม้เรื่องง่ายๆคือกินข้าวแล้วยังว่ายัางไม่ได้กินหรื อ, อยังไม่ได้กินข้าว ว่ากินแล้วเป็นต้นมีคนแก่บางคนที่ความจำไม่เลื่อนนั่นเป็นเพราะเป็นผู้มีธรรมประจําใจมันเจริญภาวานาอบรมสติอยู่เสมอกายนี้เป็นรังของโรคนานาชนิดมีโรคตาเกิดที่ตาเป็นต้นโรคต่า ง, า ง, างเมื่อเกิดย่อมอาศัยกายนี้เกิดทางเกิดของโรคนั้นอย่างน้อยมีสองทางคือเชื้อโรคเข้าไปในร่างกายจํานวนมากจนร่างกายต่อต้านไม่ไว เช่นโรคหวัดโรคไข้โรคอหิวามารเรียเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งเพราะอวัยวะในร่างกายพิการไปไม่สามารถทําหน้าที่ของมันตามปกติได้เช่นโรคเบาหวานโรคแผลในกระเพาะอาหารนิ้วในไตเป็นต้นเป็นโรคเพราะมีเชื้อนั้นแก้ง่ายกว่าเป็นโรคเพราะอวัยวะในร่างกายพิการเพราะพอทําลายเชื้อโรคโรคก็หายไปโรคบางอย่างเกิดขึ้นเพราะ ต่อมขาดฮอร์โมนโรคเบาหวานจะอยู่ในประเภทนี้จึงต้องฉีดยาประเภทฮอร์โมนเข้าไปทดแทนมีอนุภาพช่วยให้ต่อมที่พิการเพราะขาดฮอร์โมนนั้นทำหน้าที่ของมันได้ชั่วคราวเมื่อมดฤตยามันก็เป็นอีกโรคเบาหวานจึงค่อนข้างรักษายากแต่ปัจจุบันนี้ในรายที่รีบรักษาเสียตั้งแต่ระยะเริ่มเป็นดูเหมือนหมอจะช่วยให้หายขาดใต้แล้ว โรคร้ายอีกอย่างหนึ่งคือมะเร็งซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วหายยากหรืออาจไม่หายเลยส่วนวันโรคนั้นปรากฏว่าปัจจุบันนี้รักษาได้หายขาดแล้วถ้าผู้ป่วยไม่ปล่อยไว้นานเกินไปจนเหลือแก่มติทางพระพุทธศาสนาถือว่าเหตุเกิดของโรคโดยสรุปมีสองอย่างคือ 1. เพราะกรรมสองเพราะเหตุภายนอ ก, กนอื่นๆเช่นเชื้อโรคและ อวัยวะในร่างกายพิการไปเป็นต้นประการที่สองนั้นเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปส่วนประการแรกที่ว่าเพราะกรรมนั้นบางท่านก็เชื่อบางท่านก็ไม่เชื่อเพราะมองไม่เห็นโรคที่เกิดจากกรรมนั้นท่านว่ารักษายากเช่นโรคเบาหวานฤทธิ์ดวงทวารเป็นต้นแต่มันจะหายไปเองเมื่อหมดแรงกรรมแล้วโรคมะเร็งก็คงจะเป็นโรคที่เกิดจากกรรมเหมือนกัน วิธีต่อสู้กับโรคนั้นมีอยู่2วิธีคือป้องกันหนึ่งรักษาหนึ่งท่านว่าป้องกันไว้ดีกว่าแต่เมื่อเหลือป้องกันหรือเผลอไปจะโรคเกิดแล้วก็ต้องรักษาเยียวยากันไปตามสามารถอันหนึ่งแพทย์สมัยใหม่ดูมันจะเห็นพร้องต้องการทั่วโลกว่าการเสริมสร้างสุขภาพจิตให้ดีคือทำใจให้สงบสุขอยู่เสมอนั้นเป็นทั้งวิธีป้องกันโรคและรักษาโรคอย่างยอดเยี่ยม ตรงกันข้ามความวิตกกังวลความกลัวความกระวนกระวายใจความโลภและความริษยาเป็นทางให้เกิดโรคมากมายหลายประการแพทย์กล่าวว่ากําลังใจของผู้ป่วยช่วยรักษาโรคได้ดีกว่ายาฟังดูไม่น่าเป็นได้แต่เป็นจริงผู้ป่วยเป็นโรคร้ายเช่นมะเร็งและวรณโรคบางท่านรักษาโรคนั้นด้วยกําลังใจอย่างเดียวทําให้โรคหายได้ทราบว่าพระ นอร์ลาตวัดเทพสิรินทาราวาดเป็นมะเร็งกรามช้างท่านไม่ยอมใช้ยาใดๆรักษาด้วยกำลังจิตกำลังสมาธิอย่างเดียวโรคนั้นหายได้บัดนี้ท่านได้มรณภาพแล้วเพราะชราเคยทราบว่าฝรั่งบางคนเป็นวัณโรคหมอบอกว่าบทหนทางรักษาจะต้องตายในระยะไม่นาน เขาปรงตกในชีวิตคิดว่าไหนๆจะต้องตายแล้วควรจะหาความสุขสําราญให้กับชีวิตที่ยังเหลืออยู่ให้เต็มที่จึงรวบรวมเงินเท่าที่มีอยู่ออกท่องเที่ยวไปในเมืองต่างๆประเทศต่างๆเขากินดื่มสนุกสนานอย่างเต็มที่เขารู้สึกแข็งแรงขึ้นเมื่อเขากลับจากการเดินทางท่องเที่ยวให้หมอตรวจดูอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าวันโรคปอดหายสนิทในการเดินทางโดยเรือ เดินสมุดครั้งนั้นเขาเอาโลงใส่ศพของเขาติดไปด้วยและต้องขนกลับบ้านเพราะเขาไม่ได้ตายตามกำหนดที่หมอบอกว่าน่าจะตายการทำใจให้สุขสบายไร้กังวลจึงเป็นยาขนานเอกอย่างหนึ่งในการช่วยรักษาโรคและป้องกันโรคอย่างไรก็ตามทุกคนต้องมีโรคบ้างมากหรือน้อยประจำหรือชั่วคราวเพราะร่างกายนี้เป็นรังของโรคโรคะนิทังร่างกายนี้เป็นของป่วยพัง ปพังคู้นางต้องแตกทำลายไปในที่สุดอันที่จริงร่างกายของเราเป็นเพียงประมวลแห่งกองเลือดกองเนื้อและกระดูกประกอบด้วยเซลเล์เล็กๆซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเมื่อเซลล์ของร่างกายส่วนใดาตายลงร่างกายส่วนนั้นก็เป็นแผลเป็นหนองหรือเปื่อยพังให้เห็นอย่างชัดเจนแจม่มแจ้งความจริงร่างกายเปื่อยพังอยู่แล้วโดยสภาพของมันเพียงแต่มีหนัง เกลี้ยกล่ย ง, ห, งห่อมไว้โดยทั่วเป็นสิ่งพลางตาเท่านั้นเมื่อเอามีดแทงให้ทะลุหนังเข้าไปความเปื่อยพังก็ปรากฏให้เห็นอยู่ทุกแห่งทั่วร่างกายร่างกายค่อยๆสุดโทมทีละน้อยได้อาหารและอากาศเป็นต้นค่อยซ่อมแซมไว้แต่ก็ซ่อมแซมไม่ได้ตลอดไปในที่สุดต้องตายทุกคนต้อ ง, องทอดทิ้งสรีระนี้แล้วไปตามเจตรรมของตนของตน พระศาสดาตรัสพระพุทธภาสิทนี้เพราะทรงปราบรพระเทรีรูปหนึ่งชื่ออุตตรามีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระอุตตราเถรีพระเทรีนี้มีอายุได้120ปีวันหนึ่งเที่ยวบินธบาติอยู่ได้อาหารพอประมาณเลี้ยงตนขณะกลับจากวินธบาติได้พบภิกษุรูปหนึ่งระหว่างทางจึงถามอาหารบินธบาติที่ภิกษุนั้นได้ ถ้ายังไม่ได้นางจะถวายภิกษุนั้นไม่ได้ปฏิเสธนางจึงได้ถวายอาหารที่นางได้มาทั้งหมดแก่ภิกษุนั้นตนเองยอมอดอาหารในวันที่สองและวันที่สามก็ได้พบภิกษุนั้นอีกนางได้ถวายอาหารของตนแก่ภิกษุนั้นอย่างวันก่อนในวันที่สี่นางเที่ยวบินทบาทได้พบพระศาสดาในตรอกแคบๆแห่งหนึ่งด้วยความยำเกรงนางถอยหลังไปหน่อยหนึ่ง บังเอิญเท้าเหยียบเอาชายจีวรของตนหกล้มลงพระศาสดาสเสด็จเข้าไปใกล้ตรัสว่าน้องหญิงร่างกายของเธอแก่ง่อมแล้วคงต้องแตกสลายในวันหนึ่งอย่าเสียใจเลยดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ารูปนี้คล่าคร่าเพราะชราเป็นรังของโรคต้องเปื่อยพังกายนี้เป็นของเน่าเปื่อยย่อมแตกดับเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุดเมื่อจบ พระธรรมเทศนาพระเทรีได้บรรุโสดาปฏิผล เ, เทศวันนี้เวไต่แก่ๆเจ็บเจ็บตายๆนะฟังให้ดีนะฟังไม่ดีจิตไม่เบิกบานนะี่สี่กระดูีพระพุทธภาษิตยานิมานิขปทานิอลาภูเนวสารเท กาโปตากานิอัถีนีตานิทิสวานการติแปลว่ากระดูกทั้งหลายเหล่าใดอันเขาทิ้งไว้เกลื่อนกราดเหมือนน้าเต้าในศาสการมีสีเหมือนนกพิราบความยินดีอะไรเล่าพึงมีเพราะเห็นกระดูกเหล่านั้นอธิบายความศพที่เผาในป่าช้าแล้วเหลือแต่กระดูก กระดูกนั้นเจือด้วยขี้เท่าจึงมีสีขาวอมเทาคือสีขาวของกระดูกผสมกับสีเทาของขี้เท่ามองดูเหมือนสีนกพิราบกระดูกนั้นเกลือนอยู่ทั่วไปบริเวณเผาศพทรงเปรียบเหมือนน้ำเต้าที่หล่นเกลือนอยู่ในศาธการศาสตรการนั้นท่านหมายถึงฤดูใบไม้ร่วงในเชิงอัดฉบับแปลของมหมามกุรว่าฤดู ในระหว่างฤดูฝนกับฤดูหนาวคือฤดูใบไม้ร่วงเม <copyright> ื่อไปอยู่อินเดียเคยสังเกตเห็นว่าเมื่อหมดหนาวแล้วก่อนความร้อนอันรุนแรงจะมาถึงต้นไม้ก็เริ่มสลัดใบเก่าทิ้งไม่นานนักจะมีใบใหม่อันสวยงามขึ้นมาขณะที่ร้อนจัดที่สุดใบไม้กับเขียวสดไปทุกต้นผู <f uge> ้เขียน การเผาศพในอินเดียนั้นเผาอย่างเปิดเผยคือนําไปในที่โล่งแจ้งแห่งใดแห่งหนึ่งแล้วเผาที่ริมฝั่งแม่น้ําคงคาเมืองพาราณสีมีที่เผาศพหลายแห่งเผากันมากไฟไม่เคยดับเลยเพราะมีศพมาเข้าคิวคอยเผาอยู่เสมอเผาเสร็จกวาดกระดูกและขี้เท่าบางส่วนลงแม่น้ําคงคาไปเชื่อว่าได้ขึ้นสวรรค์แน่มีคนรับจ้างเผาศพดูเหมือนศพละห้ารูปีเนี่ย วงเล็บ เ, เท่ากับประมาณ14เงินบาทไทยฟืนนั้นเจ้าของศพต้องซื้อเองต่างหากแต่มีขายอยู่ใกล้ๆนั่นเองได้ไปยืนดูการเผาศพหลายครั้งน่าสลดใจมากกฎของเทศบาลไม่ยอมให้เก็บศพไว้เกินที่14สชั่วโมงเมื่อตายลงก็หามกันไปเผาในวันนั้น ถ้าเป็นชายจะคลุมด้วยผ้าสีขาวหญิงคลุมด้วยผ้าสีอื่นๆที่เห็นส่วนมากเป็นสีเหลืองสีบานเย็นและสีแดงมีดอกไม้โรยศพเล็กน้อยมีคนหามสี่คนใช้ไม้ไผ่และฟากเป็นที่รองศพที่น่าสลดใจยิ่งกว่านั้นก็มีคือเอาศพวางพาดขวางเข้ากับสามล้อคนนำศพนั่งเหยียบเท้าคล่อมศพไปคนสามล้อก็ถีบไปไม่มีใครสนใจ เห็นกันจนถือเป็นเรื่องธรรมดาความตายในอินเดียเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆพระพุทธภาสิต ท, ที่ยกไว้ข้างต้นนั้นพระศาสดาทรงแสดงแก่ภิกษุผู้เข้าใจผิดว่าตนได้บรรลุมรรคผลแล้วมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้อธิมานิกะภิกษุภิกษุห้าร้อยรูปเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาแล้วเข้าไปสู่ป่าเพียรพยายามบำเพ็ญสมณธรรมจนได้ฌาน สำคัญตนว่ากิจของบรรพชิตถึงที่สุดแล้วคือได้บรรลุมรคผลขั้นสูงสุดแล้วจึงชวนกันกลับเพื่อทูลผลสําเร็จของตนแด่พระผู้มีพระภาคเมื่อภิกษุเหล่านั้นมาถึงซุ้มประตูพระศ า, าสดาทรงทราบด้วยญาณจึงรับสั่งให้พระอานนท์ไปบอกภิกษุเหล่านั้นว่ายังไม่ต้องเข้าเฝ้าพระองค์ให้ภิกษุเหล่านั้นไปพักที่ป่าช้าผีดิบเชก่อนแล้วค่อยเข้าเฝ้าภายหลัง พระอาหนรีไปแจ้งให้ภิกษุเหล่านั้นทราบถึงพุทธประสงค์ท่านเหล่านั้นไม่ได้ดื้อดึงแต่คิดว่าพระพุทธเจ้าทรงเห็นการไกลคงจะทรงเห็นเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นแน่แท้จึงทรงรับสั่งให้ทําอย่างนั้นพวกเธอเข้าไปยังป่าช้าผีดิบเมื่อเห็นศพที่เปื่อยเน่ามีความรู้สึกเกลียดชังในซากศพนั้นแต่เมื่อเห็นศพหญิงที่เพิ่งตายมีคนนํามาทิ้งในขณะนั้นกลับรู้สึกมีความกําหนัด จึงรู้ได้ในขณะนั้นว่าพวกตนยังมีกิเลสอยู่ขณะนั้นพระศาสดาประทับนั่งในพระคันทกกดีส่งฉายพระรัศมีไปประดุจอยู่เฉพาะหน้าของภิกษุเหล่านั้นตัดว่าดูก่อนภิกษุการที่เธอเห็นร่างกระดูกเช่นนั้นแล้วมีความกำนัดพอใจในร่างนั้นควรอยู่หรือดังนี้แล้วตัดพระคาถาว่า กระดูกทั้งหลายเหล่าใดอันเขาทิ้งไว้เกลื่อนกราดเหมือนน้ำเต้าในศาสตรการมีสีเหมือนสีนกพิราบความยินดีอะไรเล่าพึงมีเพราะเห็นกระดูกเหล่านั้นมีในยะรังพรนน า, นามาแล้วแต่ต้นนั่นแหลเนี่ยเมื่อจบพระธรรมเทศนาภิกษุเหล่านั้นได้บรรลุอรหัตผลนี่อันนี้ท่านมีพื้นฐานแล้วปฏิบัติเพียรจนจะถึงที่สุดแล้วแต่เพียงแต่สาคัญผิด นิดหนึ่งเท่า น, นั้นเนี่เมื่อได้มาฟัง ร, รมซ้ำเขาก็บรรลุราตผลเลยการความสำคัญนี้ก็ต้องระวังเป็นพิเศษเหมือนกันสำหรับผู้ปฏิบัติ